ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปปะปุปะสิกขาและปุปสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรกิตะอมรโรเกิดวัดบรมนิวาตรเจนาหน้าต้นสตตะปปะปุปสิกขา รัตนตยังวันดิตตวาปุบะสิกขังวดามิหังสิกขันตานางสุพังโหติวัดทันตุพุทธศาสนาข้าพเจ้าไหว้พระรัตนตรัยแล้วจะ ก, กล่าวบุพสิกขาขอความงามจงมีแก่ผู้ศึกษาทั้งหลายขอผู้ศึกษาทั้งหลายจงเจริญในพระพุทธศาสนาเถิดกุลบุตรพึงศึกษาข้อทั้งเจ็ดนี้ก่อน ข้อต้นว่าด้วยคุณของพระรัตนตรยัยพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์เกิดขึ้นแล้วในมนุษย์อรรยกะทั้งหลายในมัชิมะประเทศโดยชาติพระองค์เป็นกษัตริย์โดยโคตรพระองค์เป็นโคตมโคตเป็นบุตรแห่งสักยะกษัตริย์ออกจากศักยะตระกูลบวชแล้วพระองค์ทรงสแสวงหากิงกุศลสันติวรบทส่วนธรรมระงับทุกข์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 ธรรมโมความดีจริงคือปริยัติปฏิบัติมรรคผลนิพพานสว่าขาโตพระวตาอันพระผู้มีพระภาคกล่าวแล้วดีสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองประจักษ์อะกาลิโกเป็นของไม่มีการอื่นขั้นเอหิปติโกเป็นของควรเรียกร้องว่าท่านจงมาดูได้โอปนายิโกจะพึงน้อมเข้าใส่ใจได ปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิอันผู้วิเศษทั้งหลายพึงรู้แจ้งเฉพาะตัวภัทวโตสาวกสังโฆพระสงสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคสุปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติแล้วดีอุชุปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติจะออกสามีจิปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติชอบแท้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 สงเป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคหมู่นั้นอหุนยโยเป็นผู้ควรรับของอันเขาเอามาบูชาตาหุนยโยเป็นผู้ควรรับของต้อนรับทักษินยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรานิโยผู้เป็นควรอัญเชลีไหว้อันโลกกระทําอนุตตรังบุญญคเขตังโลกัสสะเป็นไร่นาบุญของโลกไม่มีไร่นาบุญอื่นยิ่งขึ้นไปกว่า โตตาปโนพระผู้แรกถึงกระแสสกิดาคามีพระผู้มาคราวเดียวอนาคามิพระผู้ไม่มาอะระหันโตพระผู้ควรไกลกิเลสรันตนเจยังปบับบางนิขิตังข้อว่าพระรัตนตรัยจบแล้วข้อสองว่าด้วยชื่ออาบัติเป็นต้นอาบัติโดยชื่อมีเจ็ดคือ ปาราชิกหนึ่งสังขารทิเศษหนึ่งถูลับใจหนึ่งปารจิต 1, าาตีหนึ่งปาติเดสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกปราศิษฐ์หนึ่งปาราชิกเป็นอเตกิจฉาเยียวยาไม่ได้นอกนั้นหกเป็นสัตเอกิจฉาเยียวยาได้ปาราชิกกับสังขารทิเศษเป็นครุกกาบัตเป็นอบัตหนักนอกนั้นห้าเป็นระหุกาบัตเป็นอบัติเบา สังฆาริเศษเป็นวุ ธ, ธานคามินีออกพ้นไปได้ด้วยวุ ธ, ธานคือการอยู่กรรมนอกนั้นอีกห้าเป็นเทศนาคามินีคือตั้งแต่สุรจัยปากิติปาติเตสนิยะทุกฏทุกภาสิตออกพ้นไปได้ด้วยการสำแดงเสียส่วนประราชิกนั้นเยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็ต้องไปเป็นสมณนนีหรือว่าเป็นครหัสเสีย ปราชตีมีสองคือนิสักยิยปราจิตีหนึ่งสุธิกะปราจิตีหนึ่งว่าด้วยกําหนดสิกขาบทแห่งปราชิกรสสิกขาบทแห่งสังฆาริเศสนิตสามสิกขาบทแห่งสุรจัยไม่มีท่านไม่กําหนดสิกขาบทแห่งนิสักยิยปราชิตีสาสิทธสิกขาบทแห่งสุธิกปราจิตีเ้าสิบสสิกขาบทแห่งปาติเดสัญญะสสิกขาบทแห่งทุกฏมีมากท่านไม่กําหนด สิกขาบทแห่งทุปาสิท์ไม่มีด้วยว่าทุกปาสิทธ์มาในวิพังแห่งโองมาสวาสิกขาบทโดยจิตสิกขาบทมีเป็นสองคือสจิตตกะหนึ่งอาจิตตกะหนึ่งโดยเป็นโทษสองคือโลกวัชชะหนึ่งปันนติวัชชะหนึ่งว่าด้วยสมุทฐานที่เกิดแห่งอาบัติสมุทฐานแห่งสิกขาบทมีหกคือ กายหนึ่งวาจาหนึ่งกายวาจาหนึ่งกายจิตหนึ่งวาจาจิตหนึ่งกายวาจาจิตหนึ่งสามข้างต้นเป็นอจิตตกะสมุทฐานส่วนสามข้างปลายเป็นสัจจิตตกะสมุทฐานว่าด้วยอาการที่ตุจะต้องอาบัต ด, ด้วยอาการหกก็คืออารัชิตาด้วยความไม่ละอายหนึ่งอรยานตาด้วยการไม่รู้จักบัญญัติหนึ่ง กุกุจจะประกาตะตาด้วยรังเกียจแล้วขืนท ร, รหนึ่งอากาปิเยอากาปิยะสัญญิตาด้วยสำคัญว่าควรในของไม่ควรหนึ่งการปิเยอากาปิยะสัญญิตาด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งสติสัมโมสาด้วยหลงลืมสติหนึ่งอาปตินามาดิปะปะนิตตังข้อว่าด้วยชื่อของอาบัติเป็นต้นจบแล้ว ข้อที่สามว่าด้วยสิกขาบทที่ใกล้จะต้องเป็นทางปฏิบัติมากในเมถุนสิกขาบทว่าภิสุเสษเมถุนในมรรคทั้งสามก็คือทวารหนักทวารเบาปากอันใดอันหนึ่งแม้ในเิรชานเป็นปาราชิตในอธินาทานว่าภิสุรักเอาเองหรือใช้ให้เขาลักซึ่งของของผู้อื่นแต่ห้ามาศกขึ้นไปเป็นปาราชิกในมนุษยวิหะว่า ทิศุฆ่าเองหรือใช้ให้เขาฆ่าซึ่งมนุษย์แม้ลูกในท้องให้ตายหรือตั้งเครื่องสาปตาและพนานาความตายเพื่อจะให้เขาตายเขาตายตามก็เป็นประราชิตในอุตริมนุสธรรมคือฌานมรรคผลเว้นแต่สําคัญว่าได้เป็นปรราชิกที่ถ้าอวดอุตริมนุสธรรมนะฌานมรรคผลผู้นี้เป็นเว้นแต่ว่าสําคัญว่าได้เป็นประราชิต ทั้งสี่นี้เป็นสัจจิตตะกะตาราชิกัง น, นิติตังในสันเจตตะนิกะสิทาบทว่าที่สุแกงพยายามเองหรือใช้ผู้อื่นพยายามในองคชาติตนให้อสุจิตเคลื่อนเว้นไว้แต่ฝันเห็นเป็นสังขารพิเศษอันนี้ก็สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเปบสังขาิเศษในกายะสังสักกะว่ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาศ พิสูตมีจิตกำหนับในการเคล้าเคลึงแล้วจับต้องแม้แต่กรำผมแห่งหญิงแม้เกิดในวันนั้นก็เป็นสังกาธิเศษในทุดถุนและวาจาว่าพิสูตมีความกำหนัดกล่าวคำชั่วยาคือคำอาศัยเมถุนเวชชะมัดปัสสาวะมัด ก, กะหญิงที่รู้ความเป็นสังกัดิเศษถ้าไปพูดพาด ท, ทิงด้วยวาจาชั่วยากในอวัยเวเพศของหญิงก็เป็นสังกัดิเศษ ในอมูลกะว่าภิกษุโกรธภิสุแลโจ์ด้วยปราชิกไม่มีมูลในที่ต่อหน้าผู้ต้องโจ์รู้ความในขณะนั้นก็เป็นสำคัญทีเสษหาานี้เป็นสกิจตะในสารจริตตะว่าภิสุทักสื่อแม้แต่หญิงแพทยยาคือพวกโสเพณีคือรับคำของชายหรือหญิงแล้วบอกแก่หญิงหรือชายแล้วกลับมาบอกแกชายและหญิงเป็นสคัญทีเสดนี้เป็นอจิตกะ ชักสือนี่แม้พระอรหันต์ก็มีโอกาสสำคัญิเศษได้ก็ไปชักให้พ่อแม่ที่เลิกกันมาอยู่ร่วมกันนี้ก็เป็นสำคัญิเศษข้ชักสื่อสำคัญิเศษนี้ต้องแล้วพึงบอกเสียแก่พิจุถ้าปิดไว้นานเท่าใดต้องอยู่ปริวาสเท่านั้นสำคัญพิเศษโสนิทิตโตพิกจุอย่าพึงสลักอย่าแจกครุพันดะของสงอย่าให้เขาทําสัตรกรรมคือพาเจาะในที่แค่ อย่าให้เขาทำศัตตกรรมหรือวัตถิกรรมคือผูกหัวไส้ในที่สองนิ้วแต่ที่ใกล้ที่แคบสี่นี้คือทำเป็นทุจริตใจนี้เป็นสจิตกิกะเพิสุอย่าพึงฉันเนื้อมนษุษย์ตาฉันเป็นทุจริตใจนี้เป็นอจิตตกะถุอรัจยานิติตาทุจริตใจนั้นมีไม่มากในทุทิยักษ์สถินสิกขาบทว่าพิสุเมื่อการแห่งอานิสงส์สถินสิ้นแล้ว อยูประสจากปลาจีวรผืนใดผืนหนึ่งแม้แต่ผืนหนึ่งเป็นนิสสกิยปจิตติเว้นไว้แต่พิจุสมมุติที่ได้รับสมมุติในอายตกะกาวินยัติว่าพิกจุขอจีวรกับคนใช่ญาติใช่ปรณนาก็หมายถึงว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนานั่นเองแต่ น, นิสสกียปจิตติเว้นไวแ้แต่มีสมัยคือผ้าโจรทิงเอาไปเสียและหายเสียสิ้นในรูปิยาปฏิฆานะว่า ที่ตัวรับเองหรือให้เขารับหรือยินดีซึ่งทองแลเงินแลมาตกที่เขาเก็บไว้ให้เป็นนิสักียะปาจิตตีในกะยะวิกะยะว่าพิสุแลกเปลี่ยนเองซึ่งกับะวัตถุ ก, กับคนอื่นจะสาธมิฆะคือเว้นไว้แต่สาธมิฆนะแลกเปลี่ยนได้ถ้าไปแลกเปลี่ยนกับพวกกุศลพวกคนอื่นเป็นนิสักียะปาจิตตีสี่นี้เป็นอจิตกะในอจินตนะว่า พิษุให้ผ้าแก่พิสุอื่นเองแล้วโกรธกลับชิงเอาเองหรือให้เขาชิงเอาด้วยสำคัญว่าของตัวเป็นนิสกิยะป่าจิตตีในปริณามะนะว่าพิษุรู้อยู่แลน้อมล่าของสงที่เขาน้อมไปแล้วมาเพื่อตัวเป็นนิสกิยะป่าจิตตีสองนี้เป็นสักิตกะให้พึงรู้ของได้มาจึงเป็นนิสกีตัวต้องป่าจิตตี ชื่อวันนิสกิยะปาจิตตีก็ต้องสละทุก่อนนะถึงจะแสดงอบัตโตนิสักยังนิถิตังในมุสาวาศว่ารู้อยู่แลพูดปดด้วยกายแล้วาจาเป็นปาจิตตีในโอมสวาศว่าที่ถูกกล่าวเสียดแทงด่าว่าที่สุอื่นเป็นปาจิตตีในเปตุญยะว่าหมายจะให้เขารักตนหรือแตกร้าวกันและต่อเสียดคือบอกคําด่าว่า จริงหรือไม่จริงก็ตามแห่งพิสุแก่พิสุเป็นปาจิตตีในทุตุลลาโดชนะว่าพิกสุบอกอบัตชั่วหยาบคือสังขาริเศษทั้งวัตถุต้องเป็นติดท้องของวัตถุของพิกสุแก่อุตสัมบัณเป็นปาจิตตีเว้นไม่แต่ได้รับสมมุติพิกสุที่ได้รับสมมุติ ม, มีอ ბ ัตในปฐวิคณะว่าพิกสุขุดดินเองหรือให้เขาขุดเป็นปาจิตตีในปูตคามว่า ทำปูตคามคือต้นไม้ต้นยาให้กำเริบเองหรือให้ผู้อื่นทำให้กำเริบเป็นปัจจิตีจะตัดจะทำลายอะไรก็แล้วแต่เป็นปัจจิตีหมดในอุชาปนากะว่าทิกษุชวนทิสุอื่นให้ดูถูกหรือติเตียนเองซึ่งทิกษุที่สงสมุติให้ทำการสงเป็นปัจจิตีในอนุปคัชชะว่าทิกสุรู้อยู่แลนั่งเบียดนอนเบียดทิสุ ที่ไม่ควรจะให้ลุกในวิหารกุดีของสงฆ์เป็นปารจิตตีในนิกัขณะว่าที่สุกโกรธทิสุฉุดค่าเองหรือให้ผู้อื่นฉุดฆ่าออกจากวิหารกุดีของสงฆ์เป็นปารจิตตีในถึงจะนะว่าทิกสุกรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์เอามารดเองหรือให้เขารดซึ่งหญ้าแลดินเป็นปารจิตตีในอุโยชนะว่าทิสุชักชวนทิสุ ด, ด้วยการไปเที่ยวบินดาบัด และปราถนาจะาประพฤติอนาจาร์ไล่ทิจุนังติยะเป็นปาจิตตีในระโหนิสัชชะว่าทิจุผู้เดียวนั่งในที่รับที่บังตาพอทำเมถุนได้ด้วยมาตุคามเป็นปาจิตตีในทุติยะระหนิสัชชะว่าทิสุผู้เดียวนั่งในที่ลับหูรับตากับด้วยมาตุคามผู้เดียวเป็นปาจิตตีในอังคุลิปโตดกะว่า ที่พิจุเป็นปาจิตตีในหัตถธรรมว่าพิกจุลงเล่นน้ำลึกท่วมข้อเท้าขึ้นไปเป็นปาจิตตีในอนาดริยะว่าไม่เอื้อเฟื้อต่อบัญญัติที่อุปสมบันว่ากล่าวและบุคคลว่ากล่าวเป็นปาจิตตีในทิงสาปะนะว่าพิกจุหลอนพิกจุเป็นปาจิตตีในอปานิธานะว่าพิกจุซ่อนเองหรือให้ผู้อื่นซ่อนซึ่งบาดจีวรนผ้ารองนั่งมีชาย กลองเข็มประคตเอวของพิจุอืน่นแม้หมายจะหยอกเล่นเป็นปาจิตตีในโวโรปณะว่าพิกจุแกล้งฆ่าเองหรือใช้ให้เขาฆ่าสัตว์เดชานเป็นปาจิตตีในสปานะกะว่าพิษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์แลบริโภคเป็นปาจิตตีในเทยักสัตถาว่าพิจุรู้อยู่ว่าพวกโจรและชักชวนเดินทางเดียวกัน แม้ติ้นระหว่างบ้านเป็นปาจิตตีในสังวิธานะว่าพิสุชักชวนมาตุคามเดินทางเดียวกันแม้สิ้นระหว่างบ้านเป็นปาจิตตีในปหาระ dana ว่าพิ ส, สพุโกรธแลตีพิสุอื่นเป็นปาจิตตีในตะละสันติกะว่าพิสุโกรธเงื้อมือแก่พิสุอื่นเป็นปาจิตตี ในอนุทังสนะว่าทิกษุโจอที่สุอื่นด้วยสังกาพิเศษไม่มีมูลเป็นปาจิตตีในอุปะดะหะนะว่าทิ่สุแกล้งพูดให้ผู้อื่นได้รับความรำคาญด้วยบรญญัติเป็นปาจิตตีในอุปสุติว่าที่สุเมื่อที่สุทั้งหลายเฉพาะแลแอดฟังความเป็นปาจิตตี ในปริณามะนะว่าภิกตุรู้อยู่และน้อมลาภสองสงที่เขาน้อมไปแล้วมาให้พิกตุอื่นเป็นปาจิตตียี่สิบแปดนี้เป็นสัิตทกะในสหไสยะยว่าพิกตุนอนที่มุงบังอันเดียวกันด้วยอนุสัมบันยิ่งกว่าสามคืนเป็นปาจิตตีในทุตยิยสหไสยว่าพิจตุนอนที่มุงบังอันเดียวกันด้วยมาตุคาแม้คืนหนึ่งเป็นปาจิตตี ในธรรมเทศนาว่าที่สูแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่าหกคำเว้นจากบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยเป็นปราชิตีในปฐมเทศนาสนะว่าที่สูแต่งตั้งปูราดเองหรือใช้ผู้อื่นให้แต่งตั้งปูราดซึ่งเตียงหรือตังหรือฟูกหรือเก้าอี้เป็นของสงในอัชโชกาที่แจ้งเมื่อจะิลีกไปไม่รื้เก็บเองหรือให้ผู้อื่นรื้เก็บ หรือไม่สั่งเสียมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งก่อนแหนหลีกไปเป็นปาจิตีในทูติยักษ์เส น, นาสนะว่าที่สุเอาเครื่องปูนอนออกภูราดเองหรือให้ผู้อื่นปูราดในวิหารกุดีเป็นของสง์เมื่อจะหลีกไปไม่เก็บเองหรือไม่ให้ผู้อื่นหรือเก็บหรือไม่มอบหมายสั่งเสียผู้ใดผู้หนึ่งก่อนแหนหลีกไปเป็นปาจิตี ในคณะโพชนะว่าพิสูแต่สีรูปขึ้นไปอันไทายกนิมนต์ด้วยชื่อโพชนะตั้งห้าแลรับแห่งเดียวกันฉันเป็นปาจิตตีในปรำประโภชนะว่าพิสุอันไทยยกนิมนต์ด้วยชื่อโพชนะห้าและฉันโพชนะแห่งทยยกผู้นิมนต์ทีหลังก่อนเป็นปาจิตตีในปรวรณาว่าพิสุฉันโพชนะตั้งห้าอยู่ห้ามโพชนะตั้งห้าแลเคลื่อนจากที่แล้ว คลุกจากที่แล้วกลับฉันของเคี้ยวของฉันเป็นอนัติริตะคือยังไม่ได้ทําวินัยกรรมแลไม่เป็นเดนที่ถูกให้เป็นปาจิตตีในตุราปาณว่าดื่มกินตุราเมไรยัยเป็นปาจิตตีในโชติว่าภิกษุไม่เป็นไข้อยากผิงไฟติดไฟเองหรือใช้ผู้อื่นติดเว้นวแต่มีเหตุเป็นปาจิตตี ในรัตนะว่าพิสูตเก็บเองหรือให้เขาเก็บซึ่งแก้วแร่ของต่างๆที่ตกอยู่เป็นปาจิตติเว้นไว้แต่ตกอยู่ในวัดในที่พักอาศัยถ้าตกอยู่ในที่นั้นให้เก็บไว้ของใครเขาจะได้มาเอาในคา ม, มาประเวชนะว่าพิสูตไม่ได้บอกพิสูตที่มีอยู่และเข้าไปในบ้านในเวลาวิการเว้นไว้แต่กิจ ด, ดวนเป็นปาจิตติ ในสูจิคระว่าพิสุให้เขาทํากล่องเข็มแล้วด้วยกระดูกแงนงอาแล่เขาเป็นเทดนะกะปาจิตตีในนิสิตนะว่าจะให้เขาทํานิสีตนะข้ารองนั่งพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นโดยยาวสองคืบโดยกว้างคืบหนึ่งกับครึ่งชายอีกคืบหนึ่งด้วยคืบสุดขดกระทําให้เกิดประมาณนั้นต้องเฉดนะกะปาจิตตีต้องให้ตัดจีกอ ในวัติกะสาติกาว่าจะให้เขาทำผ้าวัติกะสาติกาผ้าอาบน้ำฝนเพึงให้ได้ประมาณประมาณนั้นโดยายาวกคืบโดยกว้างสองคืบครึค่งด้วยคือพระสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องเฉนนกัดตาจิตตีในนันทะว่าที่สุให้เขาทำจีวรประมาณเท่าสุขจีวรหรือเกินกว่านั้นเป็นเฉดนักกัดตาจิตตี ประมาณสุคตจีวร น, นั้นโดยยาวเก้าคืบโดยกว้างหคืบ้ดยคืบสุคตสิบห้านี้เป็นอคิตกะคือพระสุคตนสิบหกนิ้วกับสองอนุกะเบียตแห่งช่างไม้ในการบัดนี้เท่านี้เป็นสุคตวิทัติหนึ่งแลตาจิตติยังนิิตังพริกตุเพึิงนุ่งแลห่มให้เป็นปริมณฑล จะเดินแลนั่งในบ้านพึงคลุมกายด้วยดีพึงสำรวมด้วยดีพึงทอดตาลงบื้องต่ำอย่าเลิกผ้าขึ้นอย่าหัวเราะดังพึงมีเสียงเบาอย่าโครงกายอย่าไกวแขนอย่าโครงศีรษะอย่าเท้าสะเอวอย่าคลุมศีรษะอย่าเดินโยงเท้าอย่านั่งรัดเผ่าจะรับบินธบาตพึงทำสติพึงมีสำคัญในบาตร พึงรับแกงถั่วพอเหมาะสมพึงรับพอเต็มเสมอปากบาทอย่าให้หนูน ล, ล้นจะฉันบินทบาทพึงทำสติพึงมีสำคัญในบาทพึงฉันข้าวให้เสมอพึงฉันแกงถั่วพอสมอย่ากดลงตร ง, งกลางอย่าเอาข้าวสุกกรกแกงแลกกับไม่เป็นไข่ยอย่าขอแกงแล่ข้าวสุกผู้ใช่ญาติฉันอย่าเพ่งโทษแลดูบาตพิษตัวอื่น อย่าทำคำข้าวให้โตนักพึงทำคำข้าวให้เป็นปริมณฑลคำข้าวยังไม่มาอย่าอ้าปากอย่าใส่นิ้วให้หมดในปากอย่าพูดทั้งคำข้าวอย่าทัดคำข้าวเข้าปากอย่ากัดคำข้าวอย่าทำคำข้าวในกระพุ้งแก้มอย่าทำเมล็ดข้าวให้ตกเรียรายอย่าสะบัดมืออย่าแลบลิ้นอย่าทำเสียงจัปูจปูอย่าทำเสียงดังสุด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 และยา่ายอุจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายในที่เขียวและยาไายอุจาระประัสสาวะและบ้วนน้ำลายลงในน้ำเสกิยานิติตาที่กตุอย่านุ่งห่มดังครหัหอย่าทรงผ้าสีต่างๆมีสีเขียวและเหลืองเป็นต้นอย่าทรงผ้ามีชายไม่ได้ตัดและผ้ามีชายยาวและผ้ามีชายเป็นดอกไม้และผ้ามีชายเป็นแผ่น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 ไม่เป็นไข้อย่ากั้นร่มนอกอุปจารวัดอย่าให้เขาเขียนรูปภาพอย่าเอาบาทข้องแขนอย่าเอาบาทวางบนเตียงบนต่างบนร่มบนตักบนพึ่งที่ปริพันธ์อย่าวางบนพื้นคงมแข็งอย่าเอาของเป็นเดนใส่ในบาทแลล้างมือในบาทอย่าเอาบาดเปียกเก็บไว้แล้ตากแดดอย่าตากบาทให้นานอย่านั่งอาสนะยาวกับหญิงและบรนดอ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 อาสนะเขาปูไว้ไม่ได้พิจารณากรอย่านั่งอย่านอนในที่นอนอันเรียรายด้วยดอกไม้อย่าห้ามอาสนะทิกษุแกอย่าไหวอาวันดิยะบุคคลสิทธิ์คือผู้อุปสมบทที่หลังหนึ่งอนุสัมปัน1์หนึ่งผู้มีสังวาสต่างกันเป็นผู้แก่แต่เป็นอาธรรมวาทีหนึ่งมาตุคามหนึ่งบันเดาะหนึ่ง ปาริวาสิกะหนึ่งมุรายาปฏิกัสนาร r ะ h ผู้ควรแก่การชักถะบัตเดิมหนึ่งมานัตระหะผู้ควรแก่มานัตหนึ่งมานัตตาจารกตผู้ประพฤติมานัตหนึ่งอภานาระหะผู้ควรแก่อภานหนึ่งอย่าเอาเศนาสนะของสงฆ์จะพึงบริโภคในที่อื่นไปบริโภคในที่อื่นที่สุฉันค้างอยู่อย่าให้เธอรุก อย่าไล่ให้พิจุไข้ลุกจากเสนาสนะของสงฆ์เพิ่งอุปถาภิจุไข้เป็นผู้ไข้เล็กน้อยอย่ากางกั้นเสนาสนะถือเอาเสนาสนะแล้วอย่ากลางกั้นสิ้นการทั้งปวงผู้เดียวอย่ากลางกั้นเสนาสนะสองแห่งอย่ารับอย่าฉันเนื้อปลาดิบอย่าฉันอุติสัมมังสะเนื้อปลาที่เขาฆ่าเฉพาะสาธรรมิก อย่าเรียนอย่าบอกเดรชนวิชาเทระไม่ได้เชื้อเชิญกอนอย่าแสดงธรรมในถามกลางสงอย่าขับร้องสวดแสดงธรรมด้วยเสียงขับอันยาวไม่มีผ้ากรองน้ำอย่าเดินทางพิกูอื่นยืมผ้ากรองน้ำอย่าหวงอย่าให้ของศรัทธาไทยคือของที่เขาให้ด้วยตตทาให้ตกไปคือให้อนาฐบินทบาตรของกินที่ ยังไม่ได้ฉันเป็นต้นแกคฤหัอยาทำยาให้และอยานำข่าวสารและยาสงเครรภตกลกูลด้วยให้ดอกไม้ลูกไม้เป็นต้นอยาประพฤตอนาจาร์ต่างๆเป็นต้นว่าปลูกเองหรือให้ผู้อื่นปลูกซึ่งกอไม้รดน้ําเองหรือให้ผู้อื่นรดเก็บเองหรือให้ผู้อื่นเก็บร้อยกรองดอกไม้เองหรือให้ผู้อื่นร้อยกลอง แลลเล่นของเล่นต่างๆมีหมากแยกเป็นต้นอย่ากลิ้งโยนศิลาเล่นอย่าขึ้นต้นไม้อย่าจุดป่าอย่าใช้อากัิยะบริขารต่างๆคือร่มเครื่องจีวรรังดุมลูกดุมบาตภาชนะเครื่องใช้ธรรมกรกประคตเอวลูกถวิลหัวประกตฝากกุญแจตัวกุญแจมีดพับมีดตัดเล็บมีดตัดไม้สีฟันไม้เท้าเป็นต้นเหล่านี้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 เครื่องประดับหญิงรูปหญิงข้าวเปลือกเจ็ดแก้วสิทรัตนสิบอย่างเครื่องดนตรีผลไม้ในต้นอย่าถูกต้องพวกนี้เป็นอนามาตรวัตถุหมดอย่ารูกครัมภาชนะใส่ของยังไม่ได้รับประเคนจะเป็นอุกหิตนะจัต้องของี่ไม่ได้รับประเคนนี่เที่ยวบินธบาทผงตกลงในบาทพึงประเคนหรือล้างเสียก่อน พิจุเป็นอาคันตุกะจะเข้าไปในวัดอื่นพึงถอดรองเท้าลดร่มเปิดศีรษะเสียพิสูผู้แก่พึงอนุโมทนาในโรงฉันพิสูสี่องค์ห้าองค์พึงนั่งคอยท่าอยู่อย่านั่งเบียดพิกจุแก่อย่าห้ามอาสนะพิกจุหนุม่มอย่านั่งทับผ้าสังฆาติในโรงฉันอย่าเทน้ําให้ถูกผ้าสังฆาติและพิจุที่นั่งใกล้ไปบิณฑบาตอย่าเข้าเฮเร็วนะักอย่าออกให้เร็วนะัก อย่ายืนให้ไกลนักใกล้นักช้านักอย่ากลับเร็วนะักอย่าแลดูหน้าทายกจกชำระเศนาสนะอย่าตกเคราะห์ที่ใกล้พิจุและใกล้วิหารกูดีและใกล้น้ำฉันน้ำใช้และอย่าตกเคราะห์ในที่เหนือลมอยู่กูดีเดียวกันกันกบพิจุแก่ไม่บอกร อ, อย่าให้อุเทศและปริปุชฉาอย่าสาธยายแสดงธรรมตามประทีบดับประทีบ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 อย่าชำระด้วยไม้คมไม้ผุอย่าทิ้งไม้ชำระในหลุมคูดอย่าออกให้เร็วอย่าเลิกผ้านุ่งออกมาอย่าชำระด้วยน้ำดังจปุจปัุอย่าเหลือน้ำไว้ในหม้อชำระเปื่อนให้ล้างเต็มให้เทรกให้กวาดย้อมจีวรตากแถวน้ำยังไม่ขาดอย่าหลีไปพึงปฏิบัติด้วยดีในอุปชาอาจารย์ ไม่ตอบปุปชาอาจารย์ก่อนอย่าทำการให้แลรับจีวรเป็นต้นแก่คนบางคนและเข้าบ้านไปป่าช้าหลีกไปถุทิศเหล่านี้เป็นสกิจตะกะภิกษุอย่าพึงไปดูฟ้อนขับประโคมไม่ผูกประคตอย่าเข้าบ้านมีบาดในมืออย่าผลักบานประตูอย่านอนที่เตียงต่างเครื่องรากอันเดียวกันและนอนห่มผ้าขุนเดียวกัน ยาฉันย่าดื่มในภาชนะเดียวกันยาฉันกระเทียมพื้นทำบริกรรมแลรเครื่องลาดของสงเท้าไม่ได้ล้างท้าเปียกใส่รองเท้าอยู่ยาเยียบยาอิงสาเขาทำบริกรรมเตียงต่างของสงลาดด้วยผ้าของตนตอนจึงนอนยาไว้ผมและหนวดและคราวและ์ขนจมูกแล์เล็บให้ยาวยาขัดเล็บยาถอนขนในที่แค่ ไม่ได้ดูก่อนอย่าทิ้งหยาดเยื่อของเป็นเดนเป็นต้นนอกฝานอกกำแพงอย่าทิ้งของเป็นเด่นในอุจาระในไรนาของเขาไม่พิจารณาก่อนอย่าฉันเนื้อย่าฉันเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อเต๋าโคร่งเนื้อเตือเหลืองเนื้อหมีเนื้อเตือดาวนอนกลางวันให้ปิดประตูเหล่านี้เป็นอกิจกะพึงเว้นจากการรับข้าวเปลือกดิน และไรนาธาชายหญิงโคแพะกระบือไกสุกรเป็นต้นเหล่านี้ไม่ทำตามเป็นทุกกฎทุกกตังนิทิตังภิสุแกล้งพูดหยอกล้ออุปสมบัต์และอนุสมบัต์ด้วยอโกสวัตถุมีชาติเป็นต้นเป็นทุกภาสิทธินี้เป็นสัจจิตตะมีข้อเดียวเท่านั้นทุพาสิทธิ์ทุพาสิตันิทิตัง ปฏิปฏิมุขะตับตังนิติตังข้อที่จะต้องปฏิบัติก่อนสิกข า, าบทที่ควรยื่นบัต่กร น, นี้ก็แค่นี้จบแล้วข้อที่สี่ก็เอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาในการที่จะอนุเคราะห์ต่ออธิเสธและศกขษะในพระปัติโมกหรือว่านอกพระปัติโมก็ตามเมื่อมีศรัทธาอันบริบูรณ์ดีแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่วิริยะสติสมาธิและปัญญาเมื่อเอื้อเฟื้อต่อ การประพฤติประมัญจันด้วยอินทรีห้าก็จะเป็นบนรรจัยแก่ความ พ, พร้อมของอริยมรรคแห่งแควาเจริญในตระสิธาของสมาส ม, างมาสามิตเจ้าจนกมะทั่งได้บรรลุอริยมรรคอริยผลโดยทั่วกันโดยเทินสาธุสาธุสาธุ